อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นํารายการธรรมาราบรุนกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะพอเปิดสถานีเวลาตีห้าของทุกๆวันทางสถานีก็มีรายการธรรมาราบรุน ซึ่งก็สมชื่อนะคะเพราะว่าจะนำสิ่งที่เป็นมงคลเป็นความรู้เป็นสิ่งที่องค์พระชมาสัมพุทธเจ้าได้ท่งเมตตาที่จะตรัสสั่งสอนไว้เป็นเวลายาวนานมาถึงในปีนี้ก็คงเป็น 2,600 ปีเข้าไปแล้วนะคะค่ะสำหรับในเช้าวันนี้เราพบกันเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่22มกราคมนะคะเป็นวันแรม14ค่ําเดือนสองหรือเดือนยี่ปีมะโรงค่ะ ก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบน้อมัสการอ่าพระอาจารย์ไบพบุญอภิปุนโน ซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ประจํารายการของเราท่านเป็นผู้มุ่งในการหลักสูตราการฝึกปฏิบัติธรรมตามพุทธวจนะแล้วก็เรียกว่ า, าหลักสูตรตีกเกรนที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ อ, อยากจะไปร่วมหลักสูตรกันอย่างมากทีเดียวำสําหรับท่านผู้ฟังทางบ้านาทั่วประเทศขณะนี้นะคะทางวัดป่าดอนไห่โศกนั้นตั้งอยู่ที่ตําบลดอนไห่โศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีค่ะแต่ท่านก็เมตตาที่จะมาให้ธรรมดีๆกับเรา ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกวันนะคะค่เมื่อเช้าเมื่อวานนี้เดฉันได้นำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนามัสการพระเดชพระคุณพระอาจารย์ไพโรจนพิบุณโนแล้วก็เรียนถามตามจดหมายที่คุณกาลยาจากจังหวัดพชจบูรณ์ถามมาเป็นเรื่องของการรักษาจิตสำหรับในเช้าวันอาทิตย์นี้ ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังมากราบนมำพระรพระอาจารย์พีบูร์แล้วก็ได้ตอบปัญหาของคุณเนาที่ได้เขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ของทางรายการหรือว่าของทางวัดนะคะกราบนมสการะศรีพระอาจารย์เจ้าขาจเจ้าขาทูเจ้ า, าโยมขออนุญาตที่จะนํา จดหมายหรือว่าคําถามของคุณเนา w นะเจ้าคะ่ะที่เขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ของเรามาเรียนถามเจ้าคะ่ะคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านที่ตามรับฟังกันมาตั้งแต่เช้ชาเมื่อวานนี้คือวันเสาร์เนี่ยคงจะได้ฟังพระอาจารย์ไปบุญอภิปุโนโ ล, ลูกศิษย์เอกของพระฤาษพระคุณหลวงพ่อ ด, อ ด, ดออรสะอาดทิตตุ โ, ตโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกได้ชี้แนะนะเจ้าคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาจิตไปละคำถามของคุณเ n o วันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการระลึกรู้เจ้าค่ะในการที่จะพยายามทําที่จะรักษาจิตของตนนะเจ้า ก็ได้เขียนมาดังนี้เจ้าค่ะยมขออนุญาตอ่านนะเจ้าค่ะว่ากราบขอบ พ, พระคุณพระอาจารย์ที่ได้เมตตาสอนการปฏิบัติให้เข้าใจและรู้ในสิ่งที่ถูกต้องขออนุญาตกราบเรียนถามว่าระหว่างการระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกจิตก็จะบอกว่าเข้าออกตลอดเวลามันจะเป็นเหตุทำให้จิตไม่สงบหรือไม่เป็นการทำที่ถูกหรือไม่ถูกอย่างไร การทำให้จิตอยู่กับปัจจุบันไม่ว่าจะกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามแล้วจิตรู้ลมเข้าและออกตลอดเวลาบ้างหรือว่าหลงไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ดึงกลับมาให้รู้ลมอีกทีเช่นนี้จะเรียกว่าจิตอยู่กับปัจจุบันหรือไม่เจ้าค่ะ uh huh. ก็กราบนมัสการพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะชี้แจงเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ ะ, คะ ท, ทีละทีละขั้นทีละตอนตอนเจ้าค่ะอันดับแรกเนี่ยคือเราหายใจเองอยู่แล้วเจ้าค่ะตั้งแต่ออกจาก ตอนแม่มาเรารู้วิธีการหายใจอยู่แล้วแล้วก็หายใจของเราเนี่ยคือหายใจเป็นปกติจุ๊ค่ะแต่บางทีเราหายใจแรงบ้างบางทีหายใจเบาบ้างแล้วแต่ช่วงเวลาของวันจุ๊ค่ะทางการแพทย์เขาก็จะยืนยันว่าเวลากินอาหารใหม่ๆเนี่ยลมหายใจเนี่ยมันจะถี่ขึ้นเนื่องจากร่างกายต้องการออกซิเจนมากขึ้นในการที่จะไปเผาผลาอาหารใช่ไหมจุ๊บค่ะหรือตอนเวลาออกกําลังกายอย่างเงี้ยบางคนเดินขึ้นภูเขาวิ่งเนี่ยหอบแหกๆมาอาเงี้ยจุ๊บ่ะนั่นก็เป็นปกติของเขาอยู่แล้วจุ๊บค่ะ ทีนี้สิ่งที่พุทธเจ้าสอนเพิ่มเติมคืออะไรอ่าคือจิตของคนทั่วไปอ่าลมหายใจของคนทั่วไปก่อนมันเป็นไปตามเรื่องตามราวมัน <Okay. S 1> เป็นตามระบบของร่างกายอัตโนมัติทีนี้สิ่งที่เราต้องเอาเข้าไปเพิ่มเติมในคําสองพุทชเจ้าที่เราพูดถึงให้มีสติรักษาจิตเนี่ยคือเอาจิตของเราจิตของเราคือการที่เราไปรับรู้นะ <Okay. S 1> เอาไว้ที่ลมหายใจเอาไว้ตรงไหน ผู้รู้จักพูดถึงปริมุขขังที่เป็นภาษาบาลีนะปริมุขขังบอกว่าด้านหน้ามุขเนี่ยเพราว่าด้านหน้าใช่ไหม <Okay. S 1> อย่างตามอาคารบ้านเรือนสถานที่เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าหลังคา ม, มันทําเป็นมุขยื่นออกมา <Okay. S 1> สําหรับรถเข้าไปจอดด้ตามโรงแรมเราจะเห็นพื้น <Okay. S 1> ที่ที่ทําเป็นมุขยื่นออกมาให้รถเข้าไปจอดแล้วก็ฝนไม่ตกใส่ <Okay. S 1> สนามบินเราก็เห็นเนาะมุขมันจะยาวมากเลยตรงนี้มุขตรงนี้คือทางเข้าออกของลมหายใจ <Okay. S 1> ผู้รู้จักก็พูดถึงให้ดํารงสติไว้เฉพาะหน้า ในที่นี้คือจุดที่ลมหายใจเข้าออกคืออะไรก็ในโพรงจมูกนั่นแหล ะ, ะเอาจุดไหนก็ได้ที่เร า, ารับรู้ให้เราจิตเราไปที่นี่แต่จิตเราอย่าไหลไปตามไม่ต้องตามลมหายใ จ, จครูชาติไม่ได้บอกให้ตามแล้วถ้าเราบอกว่าจิตจะต้องบอกว่าเข้าจิตจะต้องบอกว่าออกเนี่ยคือจิตมันไม่มีภาษาคนเดินใ จ, จ ค, คือลมหายใจเราสังเกตลมหายใจเนี่ยมันได้กับทุกชนชาติชนภาษาอยู่แล้วอายุทุกอายุทุกเพศทุกวเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องมาบอกว่า ต้องบอกให้เข้าบอกให้ออกเนี่ยอันนั้นไม่จําเป็นมันจะทาให้ฟุ้งซ่านไปด้วยซ้ําแล้วมันจะเป็นการบังคับคือถ้าเราบังคับจิตของเราเมื่อไหร่เนี่ยมันมันจะไม่ได้คือจิตของเราเป็นธรรมชาติที่จับต้องไม่ได้อยู่แล้วถ้าเราจะไปบังคับขู่เข็นเขาเนี่ยนะมันจะทำใด้เปวดหัวเปล่าๆ i̇şte. มันจะทําให้สิ่งของเราไม่สงบพระรูชาเคยเปรียบเทียบกับเอามือสองมือจับนกกระจาบตัวเล็กหรือ<ช>ลูกไก่ะนะถ้าเราบีบมันแน่นเกินไปมันจะมันจะตาย ถ้า <Okay. S 2> เราจับมันรวมกันไปมันจะหนีไปได้เราจะฝึกจิตได้เนี่ยต้องจับจิตให้ได้จะฝึกจิตได้คุณต้องจับจิตให้ได้จะจับจิตได้เนี่ยเอาสุเบรนไปเขาเรียกตะข่ายไปครูมันก็ไม่ได้เราต้องเอาลมหปใจลรอเขาเอาลมหปยใจลรอเขาให้เขามาอยู่จะบบังคับให้เขาเข้ามันก็ไม่ได้นะ เราต้องมีคนกุศโลวายในที่นี้ชราให้ใช้ลมหายใจทำอย่างเป็นธรรมชาติแล้วลมหายใจที่หายใจเข้าหายใจออกอย่างเป็นธรรมชาติแล้วเราเอาจิตไว้ที่นี่จิตเนี่ยการที่เอาจิตไว้ที่นี่หมายถึงแค่เรามันนึกถึงนึกถึงที่มันไม่ยากเลยนะคุณเตือนใจเรานึกถึงเห็นหน้าคนเนี้ยเราพยายามนึกว่าเขาเชื่ออะไรนาะหรือว่าเห็นสิ่งนี้เราก็รู้ว่าอ๋ออันนี้คือปากกาเห็นสิ่งนี้คือแก้วน้ําเรานึกได้เนี่ยนั่นแหละคือแบบเดียวกันเรานึกได้ว่าเราอยู่ไหายใจอยู่ เค่นี้เองน ะ, ะ, ะมันง่ายจนบางทีคนไปเข้าใจว่ามั น, ม, นมันน่าจะมีอะไรซับซ้อนกว่า น, นี้แนละ้ว ค, คือบางคนพูดถึงมะพรุนนิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เลื่องลืออลังการนี้ใช่ไหมวิธีปฏิบัติมันต้องซับซ้อนสิมันต้องแบบต้องมีขั้นตอนที่หนึ่งแล้วยันไปสิบหกขั้นตอนแล้วมาต่อนี้อีกสี่อย่างเงี้ยไม่ใช่มีขั้นตอนเดียวเนี่ยเองง่ายมากมากแล้วก็เราแค่มาสังเกตลงไปจะอยู่เรื่อยๆไม่คิดไปในเรื่องอื่น อไม่ต้องไปซ้ายขวาหน้าหลังไม่ต้องไปบังคับให้ลมเข้าลมออกไม่ต้องไปตามลมออกไปถึงนู่นถึงนู่นไม่ต้องตามลมเข้าไปถึงเต้าถึงกระงลมให้มันอยู่ตรงที่เดียวพระาเคยยกตัวอย่างของนายช่างกลึงอ่ะถ้าเราไปโรงกลึงเนอะหรือว่าใครที่มีพื้นฐานทั้งนั้นเนี่ยจะทราบอยู่ว่าเวลาที่เขากลึงชิ้นงานเนี่ยเขาจะต้องประกอบตัวชิ้นงานใช่ไหมเข้ากับแท่นกลึง แล้วเขาก็ต้องหมุนไอตัวชิ้นงานให้หมุนแล้วเอาใบมีดเนี่ยเข้าไปจาะเพื่อที่จะขึ้นรูปชิ้นงานจุกค่ะทีนี้ช่างกลึงเนี่ยเขาจะมีกลไกลของเขาในการที่จ ะ, ะถ้าเป็นระบบปัจจุบันเนี่ยมันก็จะปรับกลไกลของเครื่องยนต์ด้วยระบบไฟฟ้าหมุนมอเตอร์อใช่ไหมกดปุ่มเพิ่มความเร็วกดปุ่มลดความเร็ ว, วชักกันชักให้มันเข้าให้มันออกนี้และเป็นช่างสมัยก่อนเขาก็จะแท่นของเขาเนี่ย จ, จะมีเครื่องชักให้ชิ้นงานเนี่ยมันหมุนจุกค่ะทีนี้ว่าเวลาที่เขาชักเชือกกลึงเนี่ย คุณพ่บอกว่าชักเชือกเกลืงยาวชักเชือกเกลื่อชั่นเนี่ยช่างกลึงเนี่ยจะต้องทราบช่างกลื่เนี่ยจะต้องทราบว่าอความเร็วของชิ้นงานเท่าไหร่ดันเข้ามาดันเข้าน้อยแต่ตาเขาอยู่ที่ไหนคุณเตือนใจว่าอยู่ที่ชิ้นงานจ้าตาเขาต้องอยู่ที่จุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานกับใบมีดอาจารมาเคยเอาไมโครโฟนที่วัดเนี่ยไปกลื่อนคือขามันหักใช่ไหมน็อตมันหลุดเนี่ยเราก็ไปช่างเกลื่อนที่อุดรเลยแหละให้เขาเกลึ่อชิ้นงานให้ เราเห็นเขาทํางานเนี่ยเราก็ถามเขาว่าช่างช่างถ้าผมว่ากลึงชิ้นงานเนี่ยปรับเอาเข้าออกเนี่ยตาคุณอยู่ที่ไหนเขาบอกออกมาเลยตาผมต้องอยู่ที่มีดครับอ๋อเพราะผมจะรู้ว่าถ้าผมใส่เข้าไปเกินไปเนี่ยมันจะเริ่มสัน่ะสันแสดงว่ากําลังไม่พอต้องเอาออกถอนออกแต่ตาเขาต้องอยู่ที่นี่ตาเขาไม่ได้อยู่ที่มือในคันชักนะออถ้าแรงมันไม่พอเราต้องถอนออกค่อยๆแต่ถ้าแรงมันพอเราใส่เข้าไปอีกอย่างเงี้ยนะถ้ามีดมันหักแล้วก็เปลี่ยนใบมีด เขาบอกออกมาอย่างน like ี้ด้วยภาษาของเขาอะนะทําให้เรารู okay. ้ว่าโอ้โหอุปมารลมหายของพระเจ้าเนี okay. ่ยตรงเป๊ะช okay. ่างในปัจจ anyway> ุบันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่คือเรารู้ลมเข้าลมออกรู้ลมยาวลมสั้นรู้ลมเร็วลมช้าแต่เราไม่ต้องตามลมจุดของเราต้องอยู่จุดเดียวที่สัมผัสระหว่างกับไอส่วนที่เป็นมุกคือในโพรงจมูกกับส่วนที่เป็นลมหายใจ่มันอยู่จุดเดียวไม่ต้องตามลมถ้าเราทําอย่างนี้แล้วมีความพูดความคิดอย่างอื่นไหม แล่วก็คือไม่มีถ้ามีพทะเจ้าจะบอกเาไว้ถ้าไม่ได้พูดก็คือไม่มีนในที่นี้ก็คือว่าแค่เราจิตไว้ที่เดียวไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกไม่ต้องมีคำพูดใดๆแต่ถ้าจิตอย่างนี้แล้วมันยังไม่สงบมันยังไปนู่ น, ค, น, นคิดนั่นคิดนี้ทำยังไงไม่ธรรมดาคนใจใเราตั้งแต่เกิดมามัน อย่างสมัยก่อนเรามานะวินาทีหนึ่งคิดสามเรื่องแล้วเดี๋ยวเราจะคิดแล้วว่าอันนี้จะต้องไปทําอะไรต่อแล้วเตรียมการไว้ยังของเตรียมมาครบไหมแล้วติสื่อสารเขาอย่างนี้ยังไงอย่างนี้เราวินาทีหนึ่งเราคิดมากแล้วมันเป็นมันเป็นธรรมชาติที่จิตมันจะไปคิดคิดเรื่องดีก็ได้คิดเรื่องไม่ดีก็ได้เป็นธรรมชาติของจิตที่จะเข้าไปรับรู้รับรู้เรื่องดีก็ได้รับรู้เรื่องไม่ดีก็ได้ เพราะนั้นเราจะทําไงควบคุมจิตเนี่ยให้ไปรับรู้แต่เรื่องดีๆเห็นสิ่งไม่ดีคุณก็เห็นธรรมะในนั้นเห็นสิ่งดีคุณก็เห็นธรรมะในนั้นจุ๊ค่ะอย่างสมมุติเราเห็นเขาด่ากันบนเวทีอย่างเงี้ยนะจุ๊ค่ะคุณก็เห็นธรรมะได้นะว่าธรรมะที่เราเห็นเนี่ยเป็นธรรมที่โวร ล, ละเป็นธรรมที่ไม่ควรทําให้เจริญจุค่ะเราเห็นธรรมะนี้เราเฉย ห, หนีจุ๊ค่ะไม่ยุ่งไม่ด่าอย่างเงี้ยนะจุ๊ค่ะเพราะนั้นคุณจะทํางนี้ได้จิตคุณจะต้องมีกําลังเเเอออ่่่ใในนนทีีี้้ก็คืวาาาหจิตขงรย กำลังจิตเนี่ยก็คือมาจากการที่เรามีสติมีกําลังจิตเนี่ยวัดกันที่ะระดับสมาธิถ้าคุณมีกําลังจิตมากแสดงว่าสมาธิคุณสูงสมาธินี่วัดระดับที่ความสุขในภายในถ้าจิตเรามีความสุขในภายในมากสมาธิเราสูงความสุขในภายในนะไม่ใช่สุขจากภายนอกสุขจากในภายในเนี่ยหมายถึงว่าสุขที่เกิดจากในจิตของเราเองไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายมาทําให้เรามีความสุขเเป็นความสุขที่เกิดจากภายในตรงนี้เราก็จะ ในระดับของสมาธิมากทีนี้ว่าถ้าจะพูดถึงว่าความสงบเนี่ยมันจะมาภายหลังจากสติพระอาจารย์เคยบอกว่าบุคคลที่เจริญสัมมาสติแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดสัมมาสมาธินั่นเนี่ยเป็นฐานะที่เป็นไปได้ใช่คะ่ะบางทีนะคนที่เจริญสัมมาสติแล้วจะทําให้เกิดสาัมมาสมาธินั่นเนี่ยเป็นฐานะที่เป็นไปได้มันอาจจะต้องมีช่วงของเวลาที่มันเลื่อนไปหมายความว่าสติเนี่ยมีแรกๆเรานึกถึงนึกถึงใช่ไหมใช่ค่ะ บางทีเราไปคิดนูงคิดนี่บ้างมันก็จะมีช่วงเวลาที่สลับกันแต่เมื่อไหร่เรามันนึกถึงปุ๊บเนี่ยจิตตรงนั้นมันจะอ่อนกำลังลงไป<ช>เรื่องนี้พ<ช>รพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบกับเอาจับสัตว์มาหกชนิดอ<ช>จับสัตว์มาหกชนิดมีมีอะไรละ่ะลิงงูจระเข้สุนัขบ้านสุนัขป่าแล้วก็มีนกมีนกใช่หมดหกตัวมาผูกไว้ที่เสาเขื่อนเสาหลัก นี <clarify> verder, มันจะดึงถามว่าเวลาที่มันดึงไปมันบินเข้าบินขึ้นฟ้างูก็จะเข้าจอมปลวจระเข้ก็จะลงน้ําเนี่ยสุนัขก็จะกลับบ้านสุนัขปาก็จะไปป่าเสาต้นนั้นเนี่ยที่ผ ed, ูกไว้เนี่ยนะจะต้องได้รับแรงดึงแน่นอนถ้าเสาเนี่ยไม่ฝังอย่างดีมันจะหลุดไปตามสัตว์ตัวไหนที่มีกําลังมากกว่าใช่ไหมมันก็ค่าเท่ากับไม่ได้ผูกเอาไว้เพราะฉะนั้นเสาเนี่ยมันจะต้องได้รับแรงดึงแน่นอนทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์พวกนั้นมันเหนื่อยอ่อนเนี่ยแรงดึงนั้นก็จะไม่มี ที่เราฝึกเนี่ยมันจะต้องได้รับแรงดึงของตาหูจมูกลิ้นกายใจแน่เวลาที่เราฝึกจิตให้มีสตินะมันจะต้องได้รับแรงดึงแน่ทีนี้ถ้าเราฟังไว้อย่างดีเนี่ยจิตของเราจะไม่ไหลไปตามแล้วเมื่อไหร่มันหมดแรงเนี่ยจิตของเราจะนิ่งจะไม่ได้รับแรงดึงอีกอเพราะฉะนั้นเวลาที่มันวิ่งวิ่งไปเนี่ยก็ไม่เป็นไรเราอย่าไปเครียดว่า โอ้ยฉันมันทําไม่ได้หรอกมันยากเกินสําหรับฉันฉันมันบุญน้อยวาสนาน้อยฉันเกิดมาก็เป็นอย่างเงี้ยอย่าไปคิดอย่างเงี้ยอูไม่ได้เลยคุณท้อดแท้ทอถอยไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าถ้พระพุทธเจ้ามีความเพียร น, น, นั่งอยู่ใต้ต้นตใต้ต้นไม้โพแล้วก็ปรารถนาซึ่งสมมาสมบทากยังทําได้เนี่ยทำไมเราจะทําไม่ได้นะแล้วอย่าไปคิดว่าไอ้เรื่องนี้มันสูงเกินไปสําหรับฉันเป็นคนธรรมดาอาจจะไม่ต้องถึงตรงนั้นมันมันไม่ใช่ เราอยู่ที่บ้านเราก็ทําได้เราอยู่ที่ไหนเราก็ทําได้อแล้วการที่เราพยายามจะฝึกจิตตรงเนี้ยเป็นเป็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล น, นะนะอปะเป็นบุญเป็นกุศลที่เกิดมากกว่าการที่เราจะไปให้ทานหรือว่าไปรักษาศีล ค, คือคือให้ทานรักษาศีลก็ดีอะ่ะแต่การมาฝึกจิตแบบนี้นี่ยิ่งดียิ่งขึน้นแล้วก็ที่พูดถึงประเด็นที่ว่าจิตจะสงบหรือไม่เมื่อไหร่เนี่ยมันก็อยู่ที่ ความพยายามของเราแต่ถ้าเราพยายามเนี่ยเรามากเกินไปมันก็จะฟุ้งซ่านถ้าน้อยเกินไปมันก็จะเกียดการอีกเพราะฉะนั้นช่วงระหว่างที่จุดที่เรามีสติกับจุดที่เราจิตของเราจะสํารวมรวมลงเป็นสมาธิเนี่ยมันจะมีระยะเวลาอยู่ระยะเวลานี้เร็วหรือช้าก็อยู่ที่เราว่าถ้าเราก็เรียกว่าใส่ความเพียรมากเกินไปมันก็ฟุ้งใส่น้อยเกินไปก็จะก็ขี้เกียจ ถ้าใส่มากเกิเนไปก็เลยไปนน่นเลยถ้าใส่น้อยเกินไปก็ไม่ถึงอยู่ดีเพราะฉะนั้นไงให้มันกลางกลงได้กูยังต้องมีสติพระเจ้าเคยพูดถึงคนที่ฟังธรรมด้วยฟังธรรมมากๆเนี่ยสิ่งที่เป็นพุทธวจนะก็จะทําให้เราสามารถ เ, เขาเรียกว่ามีจิตเป็นเอกคัตาได้มีจิตเป็นเอกคัตาได้เพรนั้นก็ต้องพูดถึงคุณนาว่าการฝึกเนี่ยนะง่ายๆมากยังอีกทีหนึ่งว่าเราแค่รู้ลมหายใจอย่างธรรมชาติ ไม่ต้องมีความคิดคําพูดใดๆเสร็จแล้วก็มันอาจจะฟุ้งบ้างอะไรบ้างอย่าไปคิดท้อแท้ท้อถอยนะแล้วก็อย่าอะไรไปตามความคิดทำง่ายๆแค่นี้ <Okay. S 1> ค่อยๆทําไปมันก็จะจะเรียกว่าถูกต้องที น, นี้ประเด็นที่พูดถึงว่าอยู่กับปัจจุบันอย่างเงี้ยว่าว่าถ้าสมมติว่าเรามีความคิดไปเรากลับมารู้ลมอย่างนี้ชื่อว่าอยู่กับปัจจุบันหรือไม่ผู้ช่าวให้อยู่กับกาย ให้อยู่กับกายให้อยู่ในกายหมายความว่าย่งไรจ้าคะหมายความว่าให้จิตของเราเนี่ยอยู่กับลมหายใจ <c oughs> อ่าปัจจุบันอดีตหรือนาคตคือบางทีเราต้องไปคิดเรื่องอดีต <c oughs> อ่าคิดจะเห็นว่าไองานปีที่แล้วฉันดาเนินแผนงานมาอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความคิดของเราเนี่ยอยู่ในห่วงอดีตตลอดเวลา อ, อ, อย่างช่วงต้นปีนี้บางคนอาจจะคิดเรื่องอนาคตว่าพอปีนี้ฉันจะทําอย่างนี้่งนี้มีตารางเวลาอย่างนี้ฉันจะจัดการสรรเวลาฉันอย่างนี่งนี้อันนี้คุณคิดเรื่องอนาคตอยู่ตลอดเวลานะอ่ะอดีตอนาคตหรือปัจจุบันเนี่ยยกไปก่อนก็แล้วกันเราพูดว่าจิตของคุณต้องอยู่ในกายในขณะที่คุณรู้ลมหายใจอยู่เนี่ยคุณจะคิดเรื่องอดีตอนาคตไม่เป็นไ ร, ร, รคิดได้หมดอ่ะอเพราะว่า ถ้าเราสิงที่เรามีเราหมายใจกํากับอยู่ตลอดเวลามีสติ <Okay. S 2> อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมสิ่งที่จะไม่มีนะคือความยึดถือคือยึดถือปัจจุบันก็ไม่ได้นะคุณเตือนใจ <Okay. S 2> คือบางคนไปยึดถืออดีตใช่ไหมว่าอดีตฉันมาเป็นอย่างนี้ฉันทําไม่ได้หรอกฉันบางคนไม่วิ่งมาราธอนอย่างเงี้ยเ <Okay. S 2> พราะว่าโอฉันร่างกายมันอ่อนแอ <Okay. S 2> โอ้ยคุณไปยึดถืออดีตกันไป <Okay. S 2> นะคนแก่อายุเจ็ดสิบก็ยังวิ่งได้ก็มีนะเ <Okay. S 2> พิ่งวัวฝะฝึกวิ่งตอนอายุหกสิบอะ่ะแล้ว hmm. จนกระทั่งตัวเองวิ่งมาราธอนได้ตอนอายุเจ็สิบ ก็เคยเห็นลงหนังสือพิมพ์อ๋อมันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องอดีตเป็นยังไงนี่เ น, ะะะนาะอนาคตเป็นยังไงเราก็อย่าไปยึดถือแต่แต่บางคนทําให้บางคนคิดแบบว่าที่ผู้เช่าบอกว่าออตติตัตงน้ำว่าคหมิยาเนี่ยอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วก็ล่วงไปแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ออยังมาไม่ถึงแล้วให้อยู่กับปัจจุบันแต่ไม่ถูกอห ม, มายความ<ช>ว่างไงถูกบางส่วนไม่ถูกบางส่วนคอที่ไม่ถูกคือว่า ให้เราเห็นปัจจุบันด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเจ้าค่ะคือถ้าเมื่อไหร่เลยถ้าเราบอกว่าอยู่กับปัจจุบันนะคุณอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวนะฉันไม่คิดไกลหรอกเอาคิดแค่สิบวันล่วงหน้าเอ่อแล้วทิศทางของเรามันจะมันจะไปแค่สิบวันเนี่ยมันอาจจะสั้นไปหน่อยนะในกรมีอนตมาประเด็นที่เราจะต้องพูดตรงนี้คืออย่าไปยึดถือความยึดกับเรียนรู้จากอดีตไม่เหมือนกันเจ้าค่ะเราเราต้องอย่ายึดอดีตแต่เราต้องเรียนรู้จากอดีตเราอย่าไปยึดอนาคต แต่เราต้องวางแผ น, แ น, นในอนาคตจุกค่ะวางแผนชีวิตกับยึดถือไม่เหมือนกันอืมจุกค่ะเข้าใจเนาะจุกค่ะ เ, เรียนรู้จากอดีตกับยึดถืออดีตไม่เหมือนกันจุกค่ะอย่างพุทธเจ้าอะไรเงี้ยมีความปรารถนาว่าฉันจะเป็นสมมาสมพุทาโอ้โหนี่นึเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากเลยคุณนใจจุกค่ะทั่วโลกกท่าเนี่ยมีได้คนเดียวไม่ใช่ว่าใครๆก็จะมาเป็นได้ไม่ใช่ตาสีตาสาจะมาเป็นได้คุณต้องบําเป็ น, ป น, ปนมีข้ามพบข้ามชาติเป็นความปรารถนาที่ไม่ใช่แค่ชาติเดียวจุกค่ะ โอายมันยิ่งใหญ่มากถามว่าปริชาทนทำไงนี่คือความเขาเรียกว่าตั้งเป้าหมายไงแต่ไม่ยึดถือเพราะถ้ายึดแล้วจะเป็นไงตัวเองจะเดือดร้อนว่าในความที่ฉันต้องเป็นอย่างนี้ฉันจะให้เป็นอย่างนั้นก็คนหนึ่งเขาไม่เห็นค่าคุณแล้วจะทำไงคุณยังไม่เป็นนี่เห็นไหมอย่างถ้าคนยังไม่เป็นอธิบดีอย่างนี้ยคุณเขาไม่ฝักคุณะคือหมายความว่าเราต้องเป็นอธิบดีก่อนเขาถึงจะฟังเราใช่ไหมแต่ก็ถ้าเราจะไปยึดถือตําแหน่งนั้นมากเกินไปเราจะทํางานปัจจุบันเราไม่ได้ เ, เช่นเดียวกันพระเจ้าจึงบอกว่ า, าอนาคตยังมาไม่ถึงยังไม่ต้องยึดถือคือถึงแม้เราได้มาแล้วเราก็ไม่ยึดถือปัจจุบันอยู่ดี <จ taraf S 1> เพราะว่าพระเจ้าเคยบอกว่าลองนึกดูให้พระเนี่ยมาพิจารณาดูว่ามีอยู่ไหมสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เมื่อเรายึดถือแล้วจะเป็นผู้หาโทษไม่ได้มีอยู่ไหมสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เมื่อเรายึดถือแล้วจะเป็นผู้หาโทษไม่ได้ปัจจุบันเราก็ยึดถือไม่ได้ <arrival. S 2> อดีอนาคตนี่ยิ่งยึดถือไม่ได้อยู่ไอ้ที <mag> ถ้าเราจะไม่ยึดถือปัจจุบันเนี่ยเราจะ ทำยังไงกับปัจจุบันเราจะต้องเห็นปัจจุบันด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นปัจจุบันด้วยความเป็นของอนัตตาแล้วเราเห็นลมหายใจใช่แล้วเราเห็นลมหายใจเนี่ยชื่อว่าเห็นไม่เที่ยงแล้วยังเห็นความเป็นอนัตตาหรือยังถูกต้องอถ้าจิตเราอยู่กับลมหายใจแล้วเนี่ยลมหายใจมันก็เข้าออกอยู่ตลอดเวลานะมันไม่ได้อยู่นิ่งเราเห็นว่าเอยลมหายใจของเรานี่มันก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะเราเห็นแค่เนี้ย่ชื่อว่าคุณเห็นปัจจุบันด้วยความเป็นของไม่เที่ยงละ คุณเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนหลักจกค่ะทีนี้ประเด็นคือบางคนก็ไปเพลินในปัจจุบันได้คคเพลินไปในสิ่งที่ทําเพลินไปเลยไหลลืมไปว่าทําอะไรอยู่จนทั่งลืมเวลาก็มีบางคนขับรถอย่างเงี้ยขับเพลินไปเลยบ้านตัวเองคคเออมันก็มีนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่เพลินในปัจจุบันคนจะไม่เพลินในปัจจุบันนี้คุณก็ต้องมีสติอยู่ในกายเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดอธิบายให้ตรงมาว่าคุณจะคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคต ได้ไม่เป็นไรนะคุณให้มีสติอยู่ในกายคิดเรื่องปัจจุ บ, บันด้วยก็ได้คนที่มีสติแล้วก็ชื่อว่าจะไม่ยึดถือสิ่งที่เป็นอดีตไม่ยึดถือสิ่งที่เป็นอนาคตไม่ยึดถือสิ่งที่เป็นปัจจุ บ, บันได้แล้วการที่เราทําไปอย่างเรื่อยๆก็จะจ ะ, จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นอย่า ง, างนี้นะเจ้ค่ะทีนี้มีนิตรึงโยมขออนุญาตที่จะกราบเรียนถามนะเจ้าค้าสำหรับของคุณเอลที่ได้ถามมาก็คือยมคิดว่ามีหลายๆวัดสําหรับ ท่านผู้ฟังหลายๆท่านซึ่งอาจจะกำลังเพิ่งจะเริ่มเข้ามาที่จะมาทำสมาธิอะไรต่างๆเจ้าค่ะ<ช>อาจจะเป็นอุบายอย่างหนึ่งหรือเปล่าเจ้าค่ะที่ว่าอาจจะพูดว่า นึกในใจว่าพุโทโธพุโทโธระหว่างที่เราหายใจเข้าไหลหายใจออกหรือว่ายุบน้อพองน้ออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ อ, อ, อันนี้มันเป็นเพียงกลอุบายที่ว่าจะทําให้จิตเราเนี่ยซึ่งปกติอาจจะไม่เคยได้รับการฝึกมาเลยเนี่ยได้ได้ได้อยู่นิ่งบ้างอันนี้โยบเป็นการเข้าใจถูกไหมเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าค่ะผู้เชา่ยวพูดถึงการที่ตั้งของการงานนะนะว่าจิตของเราเนี่ยมันต้องไปก้าวลงในสักอย่างใดอย่างหนึ่งเจ้าค่ ะ, ะเพราะฉะนั้นมันต้องมีงานให้จิตทำเจ้าค่ะงานที่ให้จิตทําตรงเนี้ย ผู้เช่าก็เคยพูดถึงใช้ลมหมายใจบ้างใช้พิจารณาสังขารร่างกาอยอะไรต่างๆบ้างน ะ, ะทีนี้สิ่งอื่นๆที่เช่นนึกถึงคำว่าพุทโธทหรือว่าใช้ยุบหลับพองนออะไรนี้ น, นะะเป็นการกระทําที่ว่าอ่ทํายังไงให้จิตเนี่ยไม่ให้ไปอยู่ในแดนอกุศลผู้เช่าพูดถึงนิมิตอันเป็นที่ตั้งของความเลื่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่งสมมติจิตอราฟารุ้งซ่านขึ้นมาละโอ้ยฉันฟุ้งซ่านเหลือเกินทําไมวันนี้มันเป็นอย่างนี้ ไม่รูไปกินอะไรผิดทาต์ขึ้นมาเราต้องหาเครื่องช่วยพระเจ้าพูดถึงเครื่องมือที่ช่วยจะทําให้จิตของเราเนี่ยเป็นระลึกถึงกุศลได้ค่ะคือบางทีจิตเรามันไม่อยู่ก็ล่องก็อยแล้วเนี่ยเราต้องอาศัยตัวช่วยตัวช่วยในที่นี้คือนิมิตนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้คืออะไรเช่นเราเนึกถึงพ่อแม่ก็ได้นึ้ถึงพระเจ้าก็ได้นึ้ถึงครูบาอาจารย์ก็ได้นึกถึงอะไรก็ได้ที่เห็นแล้วจิตเราจะสบายจค่ะจิตเราจะคลายความสิ่งนนั้้ไไปด ซึ่งครูบาอาจารย์บางท่านก็จะใช้คำว่าพุทโธบ้างครูบาอาจารย์บางท่านก็ใช้คําว่าอะไรต่างๆที่ท่านจะคิดขึ้นมานะเพราะสาหรับท่านเนี่ยมันอาจจะได้ผลทีนี้มันก็ต้องดูว่าเราได้ผลไหมล่ะถ้าเราได้ผลเธอก็เราอาจิตเราหวังจิตที่เป็นสมาธิใช่ไหมโอเคได้พอจิตเราเป็นสมาธิแล้วพุทธเจ้าก็บอกว่าให้วางนิมิตนั้นจ้านิมิตนั้นก็ให้ปล่อยวางเพราะว่าจิตเราเป็นสมาธิแล้วเพราะฉะนั้นอย่างหลายๆทีบางเราจะพบว่าอ่า ท่านท่านหลายๆท่านก็จะบอกว่าพอตอนภาวนาพุโทโธพุโทโธไปพุโทโธหาย <c oughs> อ่คะบางคนเดินไปอะไรยุบหน่อพุองหนอไปยุบหนอ่อพุ่งหน่อหายอย่างเงี้ยก็เป็นลักษณะที่เป็นไปนในทางที่พระเจ้าบอกนะว่าอนิมิตนั้นหายไปนิมิตนั้นระ ง, งับไปเพราะว่าจิตที่สงบลงไปแล้วอืเราก็ควร ทราบว่านั่นก็คือเราจิตได้ได้สงบนิ่งลงแล้วเจ้าคะเป็นสมาธิแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลว่าอาต้องรีบมาพูดโทรใหม่หรือว่ามีหนอนบางหนอนใหม่ใช่ไหมเจ้าคะใช่หลวงพ่อท่านก็สายเคยเปรียบอย่างนี้ว่าเวลาเด็กที่เขานอนหลับไปแล้วอ่ะเจ้าเด็กแบ่เบาะนะหลับไปแล้วอย่าไปปลุกเขาเจ้าค่ะมันขึ้นมางอแงอีกซวยอีกใช่ไหมเพราะจิตเราเป็นสงบแล้วเราอย่าไปไปกระตุ้นเขาขึ้นมาไม่ให้เราสงบอีกเจ้าค่ะ ก็สงบแล้วลงหายใจหายไปแล้วพูดตรงหายไปแล้วอะไรนายหายไปแล้วก็ให้มันอยู่อย่างนั้นดีแล้วส่งไว้ให้ได้เจ้าขอบพระคุณเจ้าค่ะทีนี้ก็จะมีจดหมายอีกสองฉบับนะเจ้าค่ะโยมอยากจะขอพูดนํามากราบในรายการสักนิดหนึงเผื่อว่าพระอาจารย์จะได้เมตตาที่จะมี คำพูดคําเตือนหรือว่าอธิบายเพิ่มเติมชีนะเพิ่มเติมนะเจ้าคะเป็นจดหมายของคุณเ <c oughs> พนพรเจ้าค่ะได้เขียนถามมาหรือว่าเขียนเข้ามาในรายการนะเจ้าคะบอกว่ากราบนักการพระอาจารย์ไพบุญแล้วก็สวัสดีทีมงานทุกท่านวันก่อนมีคําถามแต่ถามไปอีกสารี น, นึงพระอาจารย์ก็กรุณาตอบแต่อินซีไม่ <c oughs> ไม่แก่กล้ามากนะักก็เลยยังไม่ค่อยเข้าใจแต่มาวันนี้ที่สามม ก, กราคมที่ผ่านมานะเจ้าคะก็ได้ฟังพระอาจารย์ที่ออกอากาศซ้ําอีกรอบหนึ่งพอคุณเพนพรตั้งใจฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติอนะ่ะก็เลยทําให้มีปิติมากๆเลยก็คิดว่าถ้าตอนที่เรามีทุกข์เราถอนใจแรงๆขณะที่ทํางานอื่นอยู่ทําไมเรารู้ว่าเราถอนหายใจก็เลยลองทําดูนะเจ้าคะตอนนี้ก็เลยบอกว่าทําได้แล้วแล้วก็ฝึกสม่ําเสมอด้วยเจ้าค่ะ คือบางที่บ า, บางคำถามที่น่าสนใจเนี่ยอาดามาก็จะเอามาทบทวนอีกรอบหนึ่งเจ้าค่ะเพราะมีแง่มุมหลายอย่างอย่างเงี้ยนะเค่มก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์กับคุณเป็นพอแล้วท่านผู้ฟังท่านอื่นเหมือนกันในกรณีนี้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอีกท่านหนึ่งนะเจ้าค่ะคุณหนูพินทีระก็ เขียนมาว่ากราบน้ำมศการค่ะท่านอาจารย์ดิฉันเคยขอแผ่นซีดีธรรมะแบบ MP3 แผ่นที่1และ2แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อดิฉันและครอบครัวมากเลยก็อยากจะขออนุญาตที่ขอแผ่นต่อๆไปด้วยเจ้าค่ะไม่ทราบอันนี้พระอาจารย์จะเมตตาได้อย่างไรหรือไม่เจ้าค่ะก็ะคือมีอาสาสมัครที่เขาช่วยทําอยู่เจ้าค่ะแต่ถ้ามีท่านผู้ฟังเขียนจดหมายมาเนี่ย <c oughs> ในกรณีของข อ, งอซีดีถ้ามีอาสาสมัค ร, รก็จะส่งไปให้ได้เจ้าค่ะอันนี้นก็แล้วแต่ว่า อาสาสมัครอยู่เหมือนกัน <จ icamente S 2> <M edia> ะ <M edia> มีบ้างไม่มีบ้างนะวางเวนนาลาตามเหตุปัจจัยเจา้าค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็คือความตั้งมั่นของพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนแล้วก็ทางพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสอาดธิตโภาสโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศก็คืออยากจะเผยแพร่สิ่งที่ดีงามแล้วก็ธรรมะคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อพภิสสานิกชนทั่วไปทุกท่านได้รับทราบมากที่สุดนะเจ้าค่ะและก็พยายามที่จะเผยแพร่โดยไม่ว่าจะขอแผ่นซีดีอะไรต่างๆมาก็ ก็จะพยายามทําให้ใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วถ้าเพิดท่านผู้ฟังทางบ้านท่านใดมีจิตศรัทธาอยากจะมาเป็นอาสาสมัครให้พระอาจารย์ไผ่บุ์นี้ก็เรียนเชิญได้เลยใช่ไหมเจ้าค้าไปที่วัดได้เลยก็ได้เหมือนเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เหลือหน้าทีสุดท้ายนะเจ้าค้โยมอยากจะขออนุญาตกราบ พระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนเจ้าค่ะพูดสรุปท้ายสักนิดนึงหรือฝากแงก่คิดให้แก่ท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของการทําจิตให้อยู่กับปัจจุบันเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะคือเราใช้ลมหายใจอย่างเดียวเจ้าค่ะลมหายใจติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดนะลมหายใจสุดท้ายก็จะพาเราจะออกจากร่างนี้เหมือนกันเจ้าค่ะเพราะนั้นลมหายใจของเราเนี่ยจะเป็นที่ที่เราจะใช้เป็นหลักได้เจ้าค่ะให้แค่ว่าหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้ทําอย่างนี้ตลอดทั้งวันใครจะว่าไงไม่เป็นไรแล้วเรารู้ลมหายใจเรื่อยๆ นะตรงนี้แหละจะเป็นทางที่พาเราไปรอดอแล้วก็ให้ระลึกทําอย่างเป็นธรรมชาติคําสองพระเจ้าให้เข้าใจว่าไม่ยากทําได้ถ้าคุณเือดทำได้เราก็ทําได้เหมือนกันเจ้าค่ะนะแล้วก็ไม่ต้องไปบีบบังคับตัวเองนะคะอั้เป็นธรรมชาตินะจ๊ะค่ะถูกต้องสาธุเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะเดียวท่นคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณ ซึ่งในเช้าวันอาทิตย์นี้เป็นเรื่องของการสักกาหรือว่าสนทนาธรรม ะ, ะระหว่างพระอาจายรย์ไพโรนพิพุนโนกับตัวตนเองซึ่งได้มีโอกาสมาสักถามแทนทผู้ฟังทางบ้านคงจะได้รับประโยชน์ความรู้แล้วก็ได้สิ่งที่เป็นมงคล ตามคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะไปปฏิบัติเป็นการปฏิบัติบูชาซึ่งพระอาจารย์ไปบุญก็สอนเราแล้วนะคะว่าการบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นปฏิบัติบูชานั้นเป็นสิ่งสูงสุดที่พระพุทธองค์ทรงชื่นชอบมากเลยแล้วก็เป็นสิ่งสูงสุดที่เราจะทําได้เพราะว่าทําให้ชีวิตของเรานั้นเนี่ยเดินทางใกล้เข้าไปถึงพระนิพพานซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงสั่งสอนหรือว่าชี้แนะแนวทางไว้นะคะ ค่ถึงเวลาที่ดิฉันจะต้องขอนำท่านพ่อทั้งบ้านทุกท่านนะคะมากราบแทบเท้าขอพระคุณพระพาอาจารย์ภับุญอภิปุโนแล้วก็กราบนมัส ก, การลาสําหรับอาทิตย์นี้เราจะกลับมาพบกันใหม่ในสาวอาทิตย์หน้านะคะซึ่งเป็นเรื่องของการสาักชษาแต่ในเช้าวันพรุ่งนี้ก็ยังพบพระพาอาจารย์ภับุญอภิปุโนซึ่งท่านจะเมตตา ม, มาสนทนา ธรรมะก็คือได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องธรรมะดีๆในรายการธรรมะรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเคยคะ่ะวันนี้เรามากราบขอบพระคุณพระอาจารย์เพชรุญเพลงแค่นี้กันนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากราบขอบพระคุณและกราบนำพัธการเชกขาพระอาจารย์โชขะเชิญพานสาทเจ้าค่ะ